จะอด้ฟังได้ยินะให้นั่งฟังดีกว่า เนื้อหาที Seems, age, ute, ่อยากจะมาพูดนะมันเป็นความรู้ที่เกิดจากติเตียนมาบอกแต่ให้เกิดความรู้ตัวเองขณะที่ฟังไปด้วยนะรู้สึกถึงความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นในกายหรือในใจของเราที่มันเป็นจริงเท่านั้นหือใครจะสร้างความรู้สึกในรูปแบบเข้าไปก็อันนั้นแล้ว แต่คือคือว่าให้เรารู้สึกตัวในขณะที่นั่งในขณะที่ฟังนะมันเป็นอย่างไรเราก็รู้สึกอย่างนั้นเมื่อ3ามสี่วันก่อนนะมีมีโยมคนหนึ่งโทมาหานะที่จริงเขาก็คงดูดูในเว็บไซต์ต้องการต้องการจะติดต่อไปจ่ำเพศสาม ก็ผมมันไม่มีเบอร์อาจารย์ในที่หน้าเว็บของวัดติดต่อพระที่มีมีเบอร์โทรศัพท์ตร ง, งนั้นทะเลเหลวงมาหาธรรมา ก, ออกาานะ็อยากจะขอเบอร์ให้การปรึกษาอยากจะปรึกษาเรื่องเรื่องการปฏิบัติธรรมเรื่องการภาวนะนาธรรมาก็บอกไปแล้วปกติถ้าจะติดต่ออาจารย์ปรึกษาพวกเราก็ติดต่อกัอนตามอีเมลนะ เขาจะให้เบอร์อ e ีเมล์ไปจา่าแต่เขาาผมอยากได้เบอร์โทรศัพท์ผมอยากจะโทรไปตอนนี้เลยนะจะพยายามโทรแล้วก็พยายามบอกว่ามึงคือเราก็มีรู้เนาะไปจ่าท่านตกลมอยู่หรือเปล่าท่านบ้านที่เปล่าโทรไปจะรบกวนท่านที่เปล่าเนื่องเราไม่รู้แต่ปกติก็ติดต่อทางอีเมล แต่โยเขาก็ยังอยากจะได้เบอร์เบร์สับอยู่เลยจำเป็นก็ต้องให้เข้าไปแต่เราก็ดูจำได้เลยพราะเราเห็นความความทุกข์ร้อยใจของเขาเขาก็อาจจะมีบางอย่างที่ที่เขาคงอยากจะได้คำตอบคืออยากได้คำอธิบายเกี่ยวกับการภาวนา อยากจะปรึกษาใต้จานทร์ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้มันก็เราก็เห็นว่าที่จริงคือสิ่งที่กะตุ้นให้เขาให้เขาให้ค้ยจะต้องเอาแบบนี้อย่างเดียวคือมันก็คือความรู้สึกทุกข์ใจที่เกิดขึ้นจากความจากความไม่รู้บางอย่างหรืออยากจะได้คําตอบหรืออยากจะได้คาชี้แจงแบบนี้นะ ก็เลยต้องดีบร้อนที่อยากจะต้องต้องแก้ความทุกข์ในใจนมันก็คือเหมือนคล้ายๆความทุกขหนีพันหนีพันนีพยายามที่จะหนีความทุกข์ที่จะพ้นจากความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจตัวเองไม่ได้เขาก็คิดว่าถ้าได้คาตอบหรือว่าถ้าได้คําชี้แนะจากพระอาจารย์เขาก็จะได้พ้นจากทุกเสียทีเพวกเราเคยรู้สึกแบบนั้นไหมเวลา เกิดความใช้เราอยากจะได้คําตอบอะไรสักอย่างหนึง่งหรือว่าเรารู้สึกว่าถ้าเราทําอะไนี้เสร็จไปสักทีเราจะได้พ้นจากความทุกข์ความกังวลในใจของเราทสักทีเวลาที่เราคิดถึงงานบางอย่างหรือคิดถึงเรื่องบางอย่างเราเคยสังเกตไหมบางทีเราก็ยิ่ดเรียบนะรีบโทรศัพท์ รีบสั่งตามรีบจัดการที่มันเสร็จเราเคยรู้สึกรู้ทันนึ่งไหมว่าบางทีความที่อยากจะทำให้เสร็จของเราไม่มเกิดจากเราอยากจะเหมือนยกความทุกข์นั้นออกไปจากใจให้มันให้มันน้็วที่สุดเท่าที่จะเร็วนได้มันเหมือนเราเราไม่ชอบสภาวะความทุกข์หรือว่าสภาวะที่มันยังคล้ายๆ ย, ยังไม่เสร็จเ็ทีนี้ เราก็เลยตยีที่จะให้มันออกไปได้วยการกระทาบางอย่างนะที่เราคิดว่ามันจะเป็นคำตอบหรือว่าเป็นการแก้ปัญหาได้อันนี้มาว่าคนส่ว น, นใหญ่ก็จะมีสภาวะพวกนี้อยู่นะคือเวลาเรามีความทุกข์บีบคั้นทุกข์จริงๆนะคือสภาวะบีบคั้นจิตใจให้เราอยู่เป็นปกติไม่ได้นะมันมีบคั้นให้เราต้องเหมือนต้องแก้มัน หรือต้องหนีมันอันนี้ก็เลยทำให้เรารนะ้อนบนหรือว่านี่ร้อนนะในการแก้ปัญหาตรง น, นั้นอันนี้คือความทุกข์เกิดขึ้นนะแล้วเราก็ใช้วิธีการแบบนี้ในการแก้ปัญหาแต่ส่วนหนึ่งเราก็มักจะรู้สึกอีกอย่างหนึ่ง น, นะว่าถ้าเราได้ทำแบบนี้แล้วมันจะมีความสุข ม, มันจะมีความสุขกว่า ตอนที่เราอยู่ตอนนี้เช่นถ้าเราได้คําตอบอะเราจะมีความสุขมีความสบายใจมีความโปร่งของโล่งใจหรือเราสังเกตไม่เวลาเราเราอยากจะได้เลยทักอย่างเนาะเราจะรู้สึกว่าถ้าเราได้สิ่งนั้นแล้วชีวิตเราจะมีความสุขมากขึ้นเหมือนคล้าึงการเติมเต็มสิ่งที่มันพ่องนะ ในจิตใจเราเองคนละ้ายๆว่าถ้าได้เติมสิ่งนี้เข้าไปในชีวิตหรือถ้าเราถ้าชีวิตเรามีสิ่งนี้เพิ่มขึ้นจะทําให้เรามีความสุขมากขึ้นนะที่จริงคนเราก็วนเวียนนะวนเวียนในการกลไกอย่างนึงก็คือพยายามหนีความทุกข์กลไกอย่างก็คือแสวงหาความสุขอนะนะการหนีความทุกข์ก็คือหนีสิ่งที่เป็น จริงในปัจจุบันตอนนี้เนื้อหาความสุก็คือคิดว่าความสุขของเราคือในอนาคตที่เราทำสิ่งนี้เสร็จหรือเราได้สิ่งนี้มาแล้วก็ลยสแสวงหาความสุขอันนี้คือมันเป็นสิ่งที่มันเราใช้นะเราใช้บ่อยๆแต่ถ้าเรารูดีๆแล้ว กระบวนการที่เราพยายามที่จะหนีความทุกข์หรือเราพยายามที่จะหาความสุขมันกลับพบ ว, ว่าถ้าจะสุขก็สุขแค่ประเดียวประเดาแล้วก็ต้องหาอะไรมาให้ใหเป็นความสุขครั้งใหม่ขึ้นมาอืสิ่งที่เราคิดว่ามันได้แล้วมีความสุขพอเราได้มันจริงๆเราก็รู้สึกว่ามันยังไม่อีกมันยังคล่องอยู่ก็ต้องสแสวงหา อยางอื่นเพิ่มขึ้นหรือเราคิดว่าเรามีความทุกตัวนี้แล้วเราจะสบายใจตลอดแต่จริงก็เมื่อเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาอีกเราก็ใช้กระบวนการที่จะหนีไปเรือ่อยๆเหมือนเราพยายามจะหนีเงาแต่หนีเท่าไหร่ก็เงาก็ยังก็ยังตามเราไปอเรื่อยมันมันเป็นกระบวนการที่เรามีทุกข์เนาะแต่สิ่งที่เราควรจะทําคืออะไร สิ่ที่เราควรทำนะพระพุทธเจ้าท่านสอนที่เราเรียนรู้กับความทุกขนะ์แล้วก็ไม่ต้องไปสแสวงหาตวาสุขที่ข้างนอกนะให้กลับมาดูความทุกข์เราก็จะเห็นความไม่ทุกข์อยู่ในความทุกขนะเราจะเห็นความสุขสงบนะอยู่ในนะ่ะสภานะเหล่านั้นมันมีอยู่ของมันอยู่แล้วยังมีในสมัยพุท ธ, ธกาลนะมี มีคนคนหนึ่งนะที่เขาเอาที่เขาอยากพอได้ยินว่ามีพระพุทธเจ้าแต่จะดูแล้วเนี่ยเขารีบเดินทาง ม, มาหาพระพุทธเจ้าเลยนะอืรีบแบบรีบเดินทาง ม, มาแหลนะเนี่ยพอมาเจอพระพุทธเจ้าเขาก็รีบนะบอกข อ, ขอพรขอพระพุทธองค์จงแสดงธรรมแกนะ่ะแก่ข้าพรเจ้าด้วยเถนะิดคือรีบๆมา พอมาถึงก็ขออยากทำทำเลยนะเพราเขา อ, อยากจะได้ธรรมะนะเพราเขา อ, อยากจะได้ออืได้อยากจบคนจบความทุกข์จริงๆแต่พระพุทธองค์นนะก็อ่สั่งคล้ายๆครับว่าเดี๋ยวขึ้นนิ่งนะพัทิยะเจอตึงรอกคอย น, นะพระเจ้าก็ห้ามแบบเนี้ยถึงสามครั้งห้ามอะไร ไม่ใช่เาห้ามเพื่อที่จะไม่แสดงนะแต่ท่านเห็นว่าอนะคนนั้นเขามีความรีบร้อนะใจยังร้อนรนอยู่ใจยอยากจะได้ไดรับคําตอบหรือได้รับนะคําสอนจากพระพุทธเจ้าใจยังร้อนรนอยู่ท่านห้ามเพื่อให้ใจเขาสงบลงนะพอใจเขาสงบลงนะพระองค์ก็แค่ตัด เนะี่ยถ้าถาไม่กี่บทเขาก็เข้าใจทำมาสัดแต่ว่าอนะไเนีเมื่อตาเห็นรูปเนะียก็สักแต่ว่าเห็นเมื่อเนะี่ยหูได้ยินเสียงก็สักแต่ว่าได้ยินนะเมื่อจมูกได้กลิ่นก็สักแต่ว่าได้กลิ่นเมื่อลิ้นได้รสก็สักแต่ว่าได้รสเมื่อกายสัมผัสก็สักแต่ว่าสัมผัสรู้สึกเนะีหรือเมื่อใจคิดนะเนี่ยนะ ก็คือแต่ว่าสัตว์แต่ว่าถ้ารู้นะนะสิ่งที่คิดนึกหรือรู้สึกตรงนั้นคาว่าตัตว์แต่ว่าก็คือเลยก็คือให้รับรู้สิ่งที่สิ่งที่เขาสัมผัสในตอนนั้นตามความเป็นจริงนะเมื่อถ้าเธอรับรู้สับแต่ว่าจริงเลยเมื่อนั้นจะไม่มีตัวเธอทั้งในโลกนี้แล้วก็โตกหน้านะอ่านะ ถ้าเราสัตแต่ว่ารับรู้เฉยๆนะมันไม่มีตัวเราเขอาไปมันมีตัวเราตอนไหนถ้าเราไม่รู้เฉยๆเนาะพอจาเห็นรูกอันนี้สวยมันจะเกิดตัวเราว่าอยากจะได้มาเป็นผู้ครอบครองสิ่งที่สวยตรงนั้นใช่อันนี้ดีนะแล้วก็มีตัวตนเราเป็นวิจารวนะ่าอันนี้ดีนะเนีถ้าเราไม่สัตย์แต่ว่ามันจะเกิด ตัวเราเนะี่ยเกิดของของเราหรือว่าเกิดสิ่งที่เราอยากจะได้มาเป็นความสุขเนี่ยตัวตนมันเกิดตรงนี้แหละนะแต่ก่อนที่มันจะเกิดตัวตนถ้าเราสับแต่ว่ารู้จเฉยๆเนี่ยนะมันไม่มีตัวตน <c oughs> ทั้งที่จริงเนะี่ยท่านก็แค่ให้กลับมาเห็นว่าถ้าเราอยู่กับการรับรู้เนะี่ยโดยปกติเนะีการรับรู้โดยที่มันจิตไม่ปุงแต่งเมื่อนั้นไม่มีตัวเธอ ตั้งในโรงนี้แล้วก็โลกหน้าหรือจะพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าเราอยู่กับปัจจุบันจริงๆนะมันไม่มีไม่มีตัวเราไม่มีผู้สูตไม่มีผู้ทุกข์นะมันเป็นแต่สัจจว่าเห็นสัจจว่าได้ยินหรือสัแจ่ว่ารู้สึกนะอันนี้คือสิ่งสำคัญเลยนะนะเราจะสัแจ่ว่ารับรู้ได้อย่างไรนะก็คือเราต้องมีความรู้ตัวนะเราต้องรู้ รู้ส <remedy> ิ <money> ่งที่เกิดขึ้นจริงกับตัวเราในตอนนี้เกลับมาดูกลับมาดูถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับร่างกายดับรูความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับร่างกายหรือความคิดหรือความรู้สึกอารมณ์ที่เกิดขึ้นในจิตใจลองดูเขาสักแต่ว่าก็คืออะไรลองไม่ว่าเลิกหรือว่า ฝึกรักความเคยชินในการวิเคราะห์วิจารวิาพากสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจเพราะพวกนี้แหละมันคีความคิดมันคืออุปสรรคนะที่ทำให้เกิดเป็นตัวตนทำให้เกิดเป็นความทุกข์เราจะสังเกตไหมเวลาเราฟังข่าวเราอ่านหนังสือพิมพ์ หรือเราพูดคุยกับใครหรือเราดูในอิเนเทอร์เน็ตเนาะสิ่งที่แสดงกันโดยใหญ่คือความคิดความเห็นนะวิเคราะห์ข่าววิเคราะห์สิ่งที่พูดนะหรือว่าถูกใจไม่ถูกใจคือมาแสดงความคิดหรือแสดงตัวตนออกมานะบางคนก็อาจจะแสดงออกมาโดยคำพูดหรือข้อเขียนหรือแต่ดึกดึกจริงๆรนะิ มันแสดงในใจของเราเนาะมันมีคล้ายมีคนมีนักวิเคราะห์ อ, อยู่ในใจนี่นแหละมีนักวิจารณ์อยู่ในใจนะมีอมีนักตัดสินนอะยู่ในใจของเราอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้ถูกอันนี้ผิดอันนี้ชอบอันนี้ไม่ชอบมันเกิดขึ้นนะมันเกิดขึ้นจริงเราลองแค่ดูมันนะมันไม่เกิดก็ก็ดูร่างกายนะนะมันเกิดก็ดู ดูจิตใจนะเราลองแค่กลับมาดูเขาจริงๆนะไม่ต้องปฏิเสธเขารนะับรู้ในสิ่งที่เขาเป็นนะบางครั้งเขาก็อาจจะรู้สึกบุหญหิตรนะที่ ท, ที่ที่มีปฏิยาอย่างนีนะ้บางครั้งมีอารมณ์ขึ้นมาเราก็ลองดูงจริงๆนะถ้าเราดูเขาจริงๆเนะี่ยเดี๋ยวสักพักหนึ่งอารมณ์พวกนั้นเขาก็จะค่อยสลายไป อารมณ์นะถ้าเราดูเข้จริงๆเนะ่ะเขาก็จะค่อยๆสลายไปของเขาเองนะเมื่อสลายไปแล้วมันก็คือเกิดเป็นความว่างขึ้นในจิตใจไอ้สภาวะที่ว่างใจิตใจนี่แหละคือสภาวะที่เรียกว่ามันไม่ทุกขนะมันไม่มีตัวตนไม่มีมันไม่มีอะไรนะที่จะเข้าไปยึดนะสภาวะตรง น, นี้แหละคือสภาวะที่เรียกว่า แล้วเกิดความรู้ตัวทั่วพร้อมขึ้นมาสภาวะความรู้ตัวทุกข์ค้อมเนี่แหละก็คือต้นเหตุแล้วก็ที่จริงก็เป็นเป็นสภาวะนิพพานนะท่านในปัสสาวพระพุทธเจ้าก็คือสภาวะนิพพานก็คือความความดับทุกขนะ์หรือว่าความสุขที่เกิดเป็นความสุขสงบจริงๆเราจะสังขัรได้ว่าจิตที่มันว่างจากความคิด จิตที่เฝ้าดูสภาวะต่างๆเนะี่ยมันมีความนิ่งมันมีความสงบมันมีความรู้ตัวอยู่่างนั้นอันนี้แหละคือสภาวะพุทธมันเกิดขึ้นเกิดผู้รู้ใ น, นจิตขึ้นมาการมีสติเพื่อสร้างผู้รู้ขึ้นในจิตนะผู้รู้ผู้ตื่นนะก็ตื่นจากเมื่อกี้ที่มันหลงตื่นจากเมื่อกี้ที่มันคิดนั่นแหละ ตื่นออกมาเ rein, มือเราตื่นออกมาจากความฝันเราก็ลุดออกมาจากความฝันเราตื่นออกมาจากความคิดก็ตื่ดออกมาจากเมื่อกี้เป็นผู้คิดอยู่นะหรือเราตื่นออกมาจากอารมณนะ์อารมณ์เช่นอารมณ์โกรธอารมณ์หยานะหรืออารมณ์โง่เราดูออกมาเราก็เป็นอิสระคำว่าวอิสระก็คือพลนะพลผู้ก็คือเป็นอิสระจาก ความทุกข์ครอบงำจิตใจเราเป็นอิสระดได้ด้วยการแค่รู้สิ่งที่เกิดขึ้นจริงนั่นแหละเราน่ยปลุกปกผู้รู้ในในกายในใจของเราให้ตื่นขึ้นมาวิธีการปลุกผู้รู้ก็อย่างที่ว่าถ้าเรารู้ทันสภาวะที่มันเกิดขึ้นในในร่างกายนี้ในจิตใจนี้ตามความเป็นจริงนั่นแหละมันก็จะทําให้เราหลุดออกมาจากจากอารมณ์ต่างๆได้ ทีละขณาทีละขนาดนะแต่บางทีเราก็อาจจะเผลอไปคิดเผลอไปจมกับอารมณ์อีกนะก็ไม่เป็นไรแล้วก็คอยรู้ทันกันใหม่อันนี้คือเป็นวิธีที่เราฝึกดูนะฝึกนะแต่ก็มีรูปแบบนะอย่างผมก็เทียนก็อาศัยรูปแบบเป็นตัวให้ายๆซ้อมหรือเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความรู้ตัวได้ได้บ่อยขึ้น คือแบบวีนี้ก็คือกรรมฐานกรรมฐานวิธีไหนก็แล้วแต่ที่จริงกรรมฐานมีไว้เพื่อปกผู้รู้ขึ้นในจิต <c oughs> หรือว่าเพื่อให้จิตมันมีเคชื่อมอยู่จิตจะได้วิ่งไปอยู่กับความคิดหรืออยู่กับอารมณ์กรรมฐานมีไว้เพื่อการนี้ไม่ใช่มีไว้เพื่ออะไรไปมากตัวนี้อย่างอาจาย์พระเทียนท่านให้ปกทารุณในการเช่นเราขยับตัว ขยับตัวแบบไหนก็แล้วแต่พอเรารู้ตัวขึ้นมาจิตเรอยู่ยกับตัวนจิตอยู่กับการเคลื่อนไหวจิตมันก็เมื่อกี้มันเผลอไปคิดหรือว่ามีอาราณเกิดขึ้นพอเราขยับเอามาอยู่กับความรู้ตัวกับการเคลื่อนไหวจิตก็ถูกทำมาจากความคิดลนะก็คือเกิดผู้รู้ขึ้นมาละคือรู้ตัวว่ากำลังเคลื่อนไหวอหรือขณะที่มันสัมผัสหรือว่ามันนิ่งน จากการเคลื่อนไหวล้วก็เกิดสภาวะรู้ตัวว่ามันนิ่งอยู่รู้ตัวว่ามันสัมผัสอยู่จิต ท, ที่รู้ว่ามันนิ่งเนี่ยมันก็สงบแค่ดูเฉยๆเนะี่ยมันก็เกิดออกมาจากความคิดได้เหมือนกันนิ่งเราก็รู้เคลื่อนเราก็รู้หรือขณะที่เราทำกรรมฐานอยู่เนะีมันรู้ตัวเนี่ยเป็นสภาวะปกติของจิตอยู่ละเกิด ใจแวบขึ้นไปคิดนะเรื่องอะไรก็แล้แต่เราก็จะเห็นอออันนี้มันเป็นความคิดที่ไม่ได้ตั้งใจเป็นความคิดที่มันแทรกเข้ามานะพอเราเห็นแล้วอ๋อมันไม่ได้ตั้งใจคิดนะมันไม่มีประโยชนนะ์มันเป็นความหลงอย่างหนึง่งแล้วก็กลับมาแค่ระลึกรู้ว่าเมื่อกี้มันเผลอไปคิดไม่ต้องเ ป, ไปง็นไปยามวิเคราะห์วิจาร ว่าทําไ ม, ไมถึงคิดทําไ ม, ไมถึงสงสัยอะไรบ้างพอเรากลับมารู้สึกตัวได้ความคิดหรือจิตที่มันออกไปนะก็กลับมากลับก็มาหาเนื้อหาตัวแล้วนะอันนี้คือเรียกว่ากรรมฐานนะเป็นหนทางทําให้เราเกิดความรู้ตัวได้ได้เร็วขึ้นนะหรือรู้ตัวได้ขี่ขึ้นนะรู้ตัวได้ขี่ขึ้นแล้วก็นะี่ฝึกพวกนี้บ่อย เมื่อเราฝึกกรรมฐานในรูปแบบบ่อยๆในตอนที่เราเราว่างจากการงานเนอะรวมถึงตอนไหนที่เราทํากิจวัตรประจําวันเราก็พยายามแบบคอยเหมือนกลับมาดูตัวเองบ่อยๆนะกลับมาดูขณะที่เดินเข้าห้องน้ากลับมาดูร่างกายขณะที่กินข้าวหรือความรู้สึกขณะที่กินข้าวเนะี่ยหรือกลับมาดูตอนขณะที่ขับรถคือว่า ช้ปปิ้งนะแต่เราก็ดูดูร่างกายดูจิตใจกลัมาดูบ่อยๆเนะมันจะเกิดความรู้สึกตัวได้ได้่อยขึ้นนะกรรมฐานหรือการปฏิบัติธรรมมันจะก้าวหน้าได้ยากมากถ้าเราทําแบบทิ้งความใช้ช่วงนี้มาเข้าคอร์สก็ตั้งใจปฏิบัติช่วงนี้มาอยู่วัดก็ตั้งใจปฏิบัติแต่พอ กลับไปใช้ชีวิตระจําวันแล้วก็เราก็ไม่ไม่ได้ใส่ใจดูร่างกายดูจิตใจมันมันก็จะไม่เกิดความต่อเนื่องขึ้นมันก็เหมือนเกิดการทิ้งช่วงขึ้นนะทิ้งช่วงขึ้นมากมันก็เลยเหมือนตลงลุกขึ้นมาเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีไปเรื่อยแต่ถ้าเราใส่ใจตอนที่ทำในรูปแบบเราต้องพยายามใส่ใจในการรู้ตัวอยู่กับปัจจุบั น, นวางความคิดต่างๆ ให้ได้มากที่สุดเทาที่ทำได้แหละมันไม่ใช่ว่าจะได้ตลอดเวลาหรอกนะไม่ ใ, ใคไทยทำได้ตลอดเวลาหรือไม่ใช่ว่าทำแล้วมันจะไม่คิดไม่หลงไม่มีนะมันก็มันมีความหลงแทกเข้ามาเป็นขณะแต่เป็นขณะน า, แ ต, นนานะแต่เพียงแต่ ว, ว่าเร า, เ, เราไม่ทำเพื่อให้มันไม่หลงเราไม่้ทำเพื่อให้มันไม่คิดหรือให้มันสงบแต่ที่จริงเราทำเพื่อสร้างตัวรู้ขึ้นให้มันขี่ขึ้นแค่นั้นนะ การความค้นออกมาจากความคิดให้มันไหวขึ้นนะเราทำตรงนั้นแล้วก็ในะชีวิตประจำวันแล้วก็ตามรู้ไปเท่าที่ทําได้แบบรู้ไปบ่อยๆนะเท่าที่ทําได้นะเราก็จะเกิดการคล้ายๆจิตมันก็จะเกิดการเกิดนิสัยใหม่เกิดนิสัยในการคล้ายๆกลับมาดูตัวเองกลับมารู้ทันความรู้สึก หรือว่าความนึกคิดที่มันโผล่ขึ้นในใจของเราเองนะพอเราเกิดความเคยชินตันเนะีนะ้ยมันก็จะเกิดสติที่ได้ยกว่าเป็นอัตโนมัติมากขึ้นนะไม่ได้ตั้งใจที่จะรู้แต่จิตเขาก็รู้ของเขาเองนะจิตจะกลายเป็นผู้ดูนะผู้เฝ้าดูนะคล้ายๆเหมือนเหมือนเป็นกระจกที่คอยสะท้อนดูดูตัวเองไปไว การที่มีผู้ดูผู้เฝ้าดูหรือผู้สังเกตที่อยู่กับเราคอยดูตัวเราบ่อยๆก็เหมือนคล้ายๆมันเหมือนมีคนที่คอยดูแลเรานะ <c oughs> จะเรียกว่าเหมือนเป็นบริการประจําตัวเราก็ได้นะอืมมันก็จะเกิดการปลอดภัยขึ้นนะเวลามันหลงไปเวลามันทุกไปสติก็จะเป็นเหมือนคอยคอยเตือนหรือคอยเบรก ให้เรากลับมารู้ตัวให้เราหลุดออกมาจากความทุกขหรือหลุดออกมาจากความคิดนะมันจะมีตัวรู้ขึ้นมาได้บ่อยขึ้นเมื่อเรารู้ตัวได้บ่อยขึ้นนั่นอ่ะเขาเรียกเป็นสติตัวธรรมดาต่อไปมันจะเป็นเป็นมหาสตินะมหาคือว่ามีมากหรือว่ามีกําลังมากเหมือนกำลังใหญ่นะมหาสติเรงนี่ยให้มันดูไปเรื่อยๆ แต่ก่อนบางอารมณ์มันดูแล้วมันไม่ดุดนะนะต่อไปพอเป็นมหาติเหมือนมันมีกำลังมากขึ้นเหมือนเราโตเป็นผู้ใหญ่นะยกของที่มันใหญ่ขึ้นไดนะ้ตอนที่เราเป็นเด็กเราเคยยกสิ่งนี้ไม่ไหวแต่พอเราโตตัวใหญ่ขึ้นเราก็ยกสิ่งนี้ออกไปไดนะ้ง่ายขึ้นอันนี้คือมันเป็นเป็นมหาสตินะที่เราฝึกฝนที่เราสร้าง แต่ดักระสคัญจริงๆคือพยายามเพียงแค่ทำเองให้ดีที่สุดนะอย่าไปคาดหวังว่าเราจะต้องได้รับอะไรจากสิ่งที่เราทํานะเพราะถ้าเราอ่ามีความคาดหวังสูงนะหรือว่าคิดว่าเราจะต้องได้รับอะไรจากการฝึกในตอนนี้นะชีวิตข้างหน้าเราจะได้มีความสุขอย่างไรนะ คือจิตเราเป็นฝ่าความศพไว้ที่อนาคตมันเป็นความมันเป็นสิ่งที่พลาดมาก น, นะสำหรับแบบมนุษย์เรานาะว่าหลายๆคนน ะ, ะก็เช่นอย่างเราทำบุญเนาะเราอยากจะได้สวรรค์เป็นคล้ายๆเป็นถ้าเราตายไปจะได้ไปเกิดบนสวรรค์หรือเรานะบางเถ็ดบารมี เราภาวนาเราจะได้นิพพานในอนาคตเองนะหรือมหายามนะก็าสวดจะนิพพาพุทธเราเป็นบารมีเพื่อบาังว่าจิตจะได้ไปสู่แดนสุคขาวัดี น, นะหรือไม่แต่ศาสนาอื่นศรัทธานในพระเจ้าทาตามพระเจ้าบูชาพระเจ้าบูชาติก่กสิทธิ์เพื่อบวังว่ า, วาตายไปแล้วดวงจิตนี้จะได้ไปสู่ สวรรค์เอสู่ไปอยู่กับพระเจ้าเลยนะคือคนเราคิดว่านะเราจะมีความสุขเมื่อเราได้ไปอยู่ในที่ที่สูง ข, ขึ้นหรือที่ที่เราปรารถนาแต่เราลืมว่าที่จริงถ้าเราอยู่กับตัวเองจริงๆตอนเนี้ยนะ <c oughs> แต่เรียกว่าเราก็อยู่กับความไม่ทุกข์ในตอนนี้แล้วแล้วก็อยู่กับนะ สภาวะนิพพานในตอนนี้ละเป็นสภาวะสง บ, บในตอนนี้ล้อันนี้คือกลับมาอยู่กับตัวเองให้มันได้อยูย่ลอยพอเราสัมผัสกับสภาวะนี้ได้แล้วจิตมันก็ไม่ทิ้งตนที่จะไปสแสวงหาความสุขที่อนาคตหรือสแสวงหาความสุขนอกตัวหรือไม่ต้องทิ้งตนที่จะหนีความทุกข์เพราะถ้าเราแค่ดูทุกข์เฉยๆนะทุกข์ก็จะเป็นสิ่งที่ถูกดู ความคิดก็จะเป็นสิ่งที่ถูกดูเมื่อมันเป็นสิ่งที่ถูกดูแล้วแต่ภาวะแค่ดูเฉยๆนะีมน่มันมีความนิ่งมันมีความสงบอยู่ในนั้นนะไม่ต้องนิ่งตรงหนีทุกข์กที่ตรงไหนครับมันจะเห็นว่าในทุกขนะ <c oughs> ์มันก็มีความนิ่งเฉยๆนั้นในความวุ่นวายมันก็มีความสงบอยู่ในนั้นน ะ, ะมันอยู่ตรงนั้นแล้วก็ไม่ใช่อยู่ตรงนั้นหรือข้างหน้านะคยอ อยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้น่ะอยู่ด้วนะยกัน น, ะนะนะนั่นแหละนะถ้าจิตไม่ดิ้นอนล้วก็จะมันจะยิ้มได้ง่ายนะยิ้มข้างในนะยิ้ข้างในคือมีความสุขใจหรืออย่างที่พระพุทธองค์ท่านตัดนะเวลาท่านเห็นธรรมครั้งแรกนะอ๋อที่ในช่างปลูกเรือนอยู่ตรงนี้นี่เองปลูกเรือนก็คืออะไรตัวสร้างการคุ้มแต่งขึ้นในจิตให้เราสแสดงหา แสดงหา ừ, งความทุกข์หรือแสดงหาความสุขที่แท้จริงแต่จริงพอเห็นว oh, ่าอ๋อไอ้นี้เป็นนายช่ำผูกเรือนเราไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยก็แค่ไม่ให้เขาทําเรือนหรือไม่ไปตุ้แต่งกับเขาต่อมันก็ไม่ต้องไปรื้อเรือ น, นที่ไหนหละนียะมันก็กลับมาสงบสุขได้ที่เองนี่คือการภาวนาก็ก็มีแค่ ทำแค่นี้เนาะแต่ก็อยากอยาเข้าใจสิ่งที่จะมาพูดด้วยด้วยความคิดหรือว่าสมองแต่เราอาศัยกายของเราสัมผัสดูเนาะแล้วก็อาศัยใจของเรารู้สึกดูนะมันเกิดขึ้นอย่างไรแล้วก็รู้สึกมันอยางไงเนาะว่าก็เน่เป็นการเทศบอกเราไว้นะ แล้วก็เราจะได้มีโอกาสได้ปฏิบัติด้วยจะได้เห็นเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงของเรา